บ o ห้าสิสองท o สในห้างสรรพสินค้าในสตูร์เกสินเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมฉันจะไปห น, นึงสตูมร์สินีผมต้องไปซื้อของ ผมอยากซื้อของหลายอย่างฉันจะซื้อส่วนใหญ่แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับว่าอย่าคุณช่วยอธิบดีหนอผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียนฉันมีความต้องการกระดาษพับพิเศษผมต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก f พนเอ็กฟอร์น e ิเจอร์อยู่ที่ไหนว่ามีมอเบลเลอร์ผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชักผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ like ผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมีผมตกรลูกฟุตอลและกระดานหมผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุกผมตกรลูกฟ like ุตอลและกระดานหมากลุกแผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับ ผมต้องการค้อนและคีมผมต้องการสว่านและไขควงฉมีใช้สำรับบการะแผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนเอออผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือฉันจะใช้ส ผมอยากได้แหวนและต่างหูฉันจะใช้สร้อยข้ออร้อยข้อม